เรื่องธรรมะคำสั่งสอนสิ่งใดก็ตามพูดออกไปกินใจหรือว่าถูกใจหรือว่าดนใจหรือเป็นเครื่องชักนำชักจูงให้ผู้ได้ยินได้ฟังนำไปคิดนำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลคำพูดนั้นแหละเป็นคำพูดที่สาระที่มีประโยชน์ถึงจะพูดมากมายทั้งวันทั้งคืน แต่พูดไปแล้วผู้ฟังไม่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติหรือผู้ฟังไม่ได้ดนใจหรือไม่กระทบใจหรือไม่ชักนําไม่ชักจูงใจให้ประพฤติปฏิบัติคําพูดนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์สําหรับคนคนนั้นแต่อาจจะเกิดสําหรับคนคนอื่นนะเพราะฉะนั้นการพูด อย่างมีโยมถามหลวงปูดุลหมอหลวงปูธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ที่ท่านยังไม่ได้สำเร็จมรสํำเร็จผลและจะสอนคนอื่นจะให้สำเร็จมรกผลได้ไหมหลวงปูดุลก็ตอบแบบง่ายๆว่าหมอที่เป็นโรคภูมิแพ้แต่รักษาโรคภูมิแพ้คนอื่น ให้หายได้ไหมคือรักษาแก้หวัดได้ไหมรักษาโรคหวัดของคนอื่นได้ไหมอันนี้ก็คล้ายๆกับว่ายานั้นเป็นยาอยู่อย่างเดิมแต่คนที่ให้ยานั้นอาจจะย่อนเรื่องธรรมะแต่ว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมะอยางเดิมยานั้นคือยาอย่างเดิมแต่คนที่ให้ยานั้นคืออีกต่างหาก อันนี้ก็เป็นแนวความคิดอันหนึ่งเหมือนกันอย่างหลวงปู่ล่าท่านก็บอกว่าทางว่าจะให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนจะมาสอนคนพุทธศาสนาก็คงจะไม่แพร่หลายถึงขนาดนี้เพราะนั่นถาท่านผู้ใดก็ตามพอที่จะสั่งสอนได้ก็สั่งสอนไปเมื่อเราเรียนกอไก่ได้แล้วก็เรียนกอไก่เมื่อคิดเรียนขอไข่ขอขวดขอควายจึงหอนกูก อ่านออกเขียนได้เท่าไรเราก็สอนไปตามนั้นแต่จะไปสอนในทางที่มันไม่ถูกต้องถ้าสอนที่ไม่ถูกต้องนั้นอันนั้นไม่ได้ผิดเป็นบาปทางจิตใจอีกทำให้เขาเข้าใจผิดอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของครูบาอาจารย์อย่างยกตัวอย่างอย่างในประวัติของหลวงปู่ชาก็เหมือนกันท่านไปสนทนาเกี่ยวกับพิ่ใน ไปเจอกับสหธรรมิกไปเจอกันใหม่ก็ไปพูดเกี่ยวกับวิยัยสนทนาการเกี่ยวกับวิไนสิทธาบทนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสิทขาบทนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่องค์ที่อธิบายเรื่องวิไนให้ฟังนั้นท่านลืมท่านลืมไปจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับพอแยกย้ายกันกลับ ต่างองก็ต่างนอนองค์ที่อธิบายวินัยให้ฟังเอามือก่ายหน้าปากว่าเราอธิบายวินัยให้เพื่อนพระฟังเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าพอทบทวนนะโอไม่ได้ผิดเราบอกผิดแล้วเนี่ยผิดวินัยละใอ้แค่ว่าเราบอกสิขบวนี้ไม่ถูกต้องละถ้าองค์นั้นจําไปอย่างอย่างที่เราพูดเนี่ยถ้าเราตายค่ําคืนเนี่ยเมื่อเราตายไปเดี๋ยวเนี้เราไม่ได้ไปแก้ไขให้องค์นั้นน่ะองค์นั้นก็จะเอา ทำที่เราอธิบายเนี่ยไปพูดให้องค์อื่นฟังอีกองค์อื่นก็จะเข้าใจพวินัยคาดเคลื่อนไปอีกไม่ได้ท่านก็เลยสมไมเนี่ยไม่มีไฟฉายใช่ไหมมีแต่ไฟเทียนลงมาจากเขาเลยงั้นเดินลงมามาหาที่พักขององค์นี้มาบอกว่านี่นะที่สนทนากันนะ่ะผมพูดวินยัยผิดไปตามไม่จริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะผมทบทวนดูแล้วมันเป็นอย่างนี้ที่ผมพูดครั้งก่อนนะผิดนะ อย่าจำเอาเอาจำออกครั้งนี้นะอา่าพอตอนเช้าก็มาเลยถามท่านมาทำไมท่านถึงลงมาท่านบอกว่าเวลาผมตายค่าคืนผมสอนท่านแล้วท่านเอาคำพูดของผมไปบอกกล่าวคนอื่นอีกทำให้ทำวินยัยริบปรลิตนั่ขนาดนั่นหละคู่บาอาจารย์ท่านรับผิดชอบในหลักทำวินยัยแต่สมัยก่อนไม่มีหนังสือเลยไม่มีพระไตรปิฎก ไม่มีเทปซีดีอย่างทุกวันนี้เพราะนั้นบอกกล่าวกันด้วยคำพูดท่านต้องรับผิดชอบขนาดนั้นท่านเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการที่จะพูดกล่าวอะไรสุ姆สีุ่มห้าไม่ได้ต้องพิจารณานด้วยเหตุด้วยผลซะก่อนเรารู้อย่างไรว่ามั่นใจไม่ผิดนะเราจึงสอนอย่างนั้นไม่ใช่ไปยกเมฆพูดไป เราได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ยังไงได้ปฏิบัติยังไงเราก็สอนอย่างนั้นอันนี้ก็คือการแนะนำสั่งสอนจะทำให้พระธรรมวินัยไม่วิปริตปันโทงของหลวงพ่อเองหลวง พ, อองพ่อกับพระในพูดธรรมะสูงส่งเป็นธรรมะพื้นพื้นสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าหากว่าต้องการฟังธรรมะอันสูงส่งก็ไปฟังธรรมะของหลวงตามีเยอะแยะไปที่เราจะต้องศึกษาคนคว้าในตำรับตำราก็มีหนังสือขององค์ท่านมีมากอย่างหนังสือเป็นดวงใจเล่มใหญ่ๆอยู่ครบบริบูรณ์อยู่ในนั้นท่านอธิบายเรื่องมรรคเรื่องผลอยู่ในนั้นจบตลอดถึงอวากาศของจิตอวากาศของธรรมก็มีธรรมะชุดเตรียมพร้อมก็มีที่เป็นหนังสือ ที่มีสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับภาคปฏิบัติแต่นันก็มีเทปเทปก็มากที่องค์หลวงตาอธิบายธรรมะขั้นสูงสูงราดับราดับึันไปจนถึงที่สุดว่างั้นแที่สุดก็คือมรรคผลนิพพานแต่สมารถที่หลวงพ่อในพูดในเทปนรรี่ก็คือเรื่องการปรับตัวการอยู่ร่วมกันในชุมชนพ่อแม่พี่น้องการอยู่ร่วมกัน เราเป็นพ่อเป็นแม่ทำหน้าที่อย่างไรในฐานะที่เราเป็นลูกเราทำหน้าที่อย่างไรเราเป็นพลเมืองของประเทศชาติเราควรทำหน้าที่อย่างไรโดยมากก็ชี้แนวทางให้เห็นว่าอันนี้ควรจะเป็นอันนั้นอันนั้นควรจะเป็นอย่างนี้สมัครกว่าในคําพูดของหลวงพ่อที่อัิเทพแจกในครั้งนี้แต่ตลวงพ่อฟังดูแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ไม่มากพอน้อยเนี่ยเพราะนั้นจึงได้อนุญาตให้ออกแจกจ่ายอดูแล้วก็อยากจะฟังเสียงสะท้อนเหมือนกันนะั่นแหะอยากจะฟังเสียงสะท้อนหลวงพ่อพูดออกไปคําใดพร้อมที่จะยอมรับทุกคําอำติเตียนมัน ง, งั้นแต่ไม่จอมไม่ยอมรับคําชมหรอกอยากจะยอมรับคําติเตียนอถ้าว่ากใครมีความเห็นว่ายังไงพร้อมยอมรับอแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไขยอมรับทั้งหมด ยิ่งดีรับฟังที่เขาตําหนิมาแต่ว่าก่อนที่จะตำหนินั้นต้องนอนฟังให้ดีนะเทพหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อฟังแล้วถ้าฟังแบบฉาบช่วยนั่งรถฟังและไลฟังเนี่ยจะไม่เข้าใจฮเพราะว่าคําพูดหลวงพ่อเนี่ยช้าแต่ละคําบางทีย้ํากันเหมือนกับคนแก่อายุแปดสิบเก้าสิบพูดอย่างนั้นแต่พอฟังฟังไปก็น่าลําคาญตัวเองเหมือนกันนะ เพราะว่าไมมันพูดช้าขนาดนี้เราพูดนะทําไมเราพูดเร็วอยู่นะทําไมมันไปนพูดใส่เทปออกเป็นเทปแล้วทําไมมันช้านะมันแปลกเหมือนกันนะั่นแหะเพราะฉะนั้นการที่จะฟังคําพูดของหลวงพ่อเนี่ยต้องนั่งดีๆเอามือก่ายหน้าผากดีๆค่อยฟังเออยจะรู้ได้จะวิเคราะห์ได้ว่าเออพูดเป็นยังไงยังไงยังไงย้าช้าๆถามว่าคนที่ช้าเนะ่ยเออกระชอบนะ แต่คนที่เร็วในลำคาญคนที่เร็วในลำคาญลำคาญคําพูดของหลวงพ่อในเทปแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ยังลำคาญเอ้ยตามปกติเราพูดเร็วอยู่นะทําทไมมันเสียงอยู่ในเทปทําไมมันช้าหรือว่าเวลาอัดเทปมันอช้าโลช้าโลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวะเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแต่ทีนี้มันฟังประกันไหนกระทุกกันทลยนี้ยเอ้แสดงว่าเราเนี่ยพูดช้า ว, ะ ว, ะ ว, ะวะ่าๆมาแต่แต่ทำอย่างไงได้ อุปนิสัยใจคอนี่ยจะไปเปลี่ยนพูดไปเอาพระพูดเร็วก็พูดผิดพูดถูกก็ยิ่งแย่ใหญ่อีกเลยเออก็เลยพูดเนาช้าตามช้าเลยตามเลยไปอย่างนั้น <c oughs> อ่ะเพราะฉนั้นพวกเราเนะี่อเป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกพ่อเนี่ยถุงพ่อพูดช้าพวกเราก็ฟังช้าตามแบบไอค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะแต่แต่แตแตแตยังไงก็ฟังให้เกิดสาระให้เกิดประโยชน์นั่นแหละแต่ว่าถิงตรงไหนที่ฟังดูแล้วมันขวางหู หรือว่าไม่ถูกต้องเอาเขียนใส่กระดาษโน้ น, ด น, ดนดมาก็ได้หลวงพ่อยินดีรับฟังเหมือนกัน